สัสอะอวาตุสอะอะอะตุสธรรมะธรมทะนโมัสสัอะอวาตุะอตสรมะธรรมทะโมัสส อัาลอฮฺโสขมมะซังกุตัาสุขะโตโลตานิติ ให้เราทุกๆคนจงนิ่งตั้งใจถ้ารู้จักชุบชื้นสปว่าีมาดีโลกมีองการรูโนุเ เรืองของผมอาณาเราทีตเป็นผู้ชนทีได้ที่ส่นของตนกระนันธรรมะของลูกทะได้องชาผสมวิชาทุติยชาปิยชาแกคือธรร ทีนี <New ogni S 1> ้น a ้นไปทับถูกมนุษย์นานแสนนานทิโลกเในที่ของลสมมให้เโยน อยู่จนตลอดไปมีหนึ่งความหมายโอสถ c วามฉุนโกรกาปทำกายทำวาจาทำกายทำวัตถุของพระธรรมไม่เสื่อนบาปช่างโศสังเกตุสสัย ให้เป็นผลประโยชน์สมบัติของใจชี้นั้นไปอยู่สว่างนั่ a ก็นั่งที่สุดจิตติโลมานุเคราะห์มรรติมานุเคราะห์โถมของตนเป็นคนล่นสาลัพธ์ พระเดยามให้เจตุลุศุลให้เจติตของตนตลอดไปขกับคืนไปอยู่ตวันอีกที่กอันนี้รียกโลกหนึ่งโลกที่ามเดี๋ยวบควาดีเกิดขึ้น có nhiều k h g khăn, bốn 折，困 n b 别从干部来看，我少，工作苦，我累，工作多，干 h 完，本不想做事，干部多，把干部催。 เหลือเมือเเป็นคนหุ่มบาตรกำลังดขึ้นเมื่ออายุแก่แล้วบุญผุดลเกิดขึ้นเมื่อตัวของรคืไไปมาในโลกไปวันบุญผุลเกิดขึ้น ไม่บาทวันหนึ่งบาทเถึงวันนี้แถวมุุ่งจะเกิดขึ้นเป็นเหเื่องไม่วัดสองเ่องไหว้มาสามเรื่องท้ท่านเจอในตัเราสี่ตรองของเาของเราระลึกเร่งของหญิงของทางของศพ หาตนของตนนั่นเองการยึดารไหวโยนสีว่ามีกรรมการมาชาตฐาของพุทธเจ้าลาหลังสมมาจักุธโทมโนกราเราเลืกน้องยินดีไม่พุทธึงฐานา เราคงต้องทำมากขนาดนั้นอะไรกายของเราไม่แข็งรุรนอองยิ่งีบูชาถกุทธาบัตถนอย่เสมออันนี้เปรียุญบุลเกิดในวันนี้ต่อไปยังทำจะทำอะไกันไปอีกต่อไป ขวดน้ำขดเลี้ยวเลยน็อแก้วเลี้วเลยขวดแก้มไนแกเจีบ้าตัวีวเป็นยาแก้เวรธนาแนเอาเแล้วน้ลัขวดนึงแล้วแก้นึงแล้วอันนี้จะประวมันเปล่งไ ใจเด็กมนุษย์คนหนาเทวดาทั้มีต่ความพ้อเพลินและวาก็ม่คกุเมีต่ความจงในักลอดไปต่ก็เห็นมเห็นเาทั้งลายเทวาคน ผู้ที่เขียนไปแล้วเรื่องดูดีต่งๆทุกอย่างตลอดไปถึงนี้